ก็ฟังอะไรนิดหน่อยเพื่อ ป, ประโยชน์ปั น, นี้งานบูชาคุณหลวงพ่อมักเทียนในวาระ80ปีแห่งชักการของท่านมาจากที่สวนโม่ หลายคนยสงสัยว่าสลงพ่ออยู่วัดป่าสุกโตทำไมไม่จับที่วัดป่าสุกโตนะที่จริงจับที่สวนโมก็นอกจากเป็นประโยชน์จับญาติโยมแล้วนะก็อาจจะเป็นการจะลึกถึงประสบการณ์บางส่วนของหลวงพ่อด้วยก็ได้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็มีความ ผูกพันแล้วก็มีอดีตที่เกี่ยวข้องกับส่วนโมกที่ใช้ยาอรือไม่ใช่น้อยตอนที่ท่านได้ามาปฏิบาาัติธรรมกุลบ้องเขียนแื่วทั้งเป็นอาน์ท อ, อเทียนแล้วไปหลังก็บวชนะเป็นพระฤิษุท่านบวชได้ประมาณสัก2สองพรรษาได้นะ ก็ได้ข่าวว่ากาจะคุณพี่มนทรรมซึ่งตอนนั้นพระเจ้ายัางนั้นแรับคือสมณศักดิ์จัดโครงการพระใจสิงระดมพระที่มีความตั้งใจในการทำเพื่อาศาสนาแล้วก็มีความอดนมีความสาเนี่ยเรียกว่าใจสิงให้มา ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นการจาริกผู้ดงไก ล, ก, ลก็รว็รวมพระานะจากทั่วประเทศนะพระใจสิงเนี่ยก็มีคนแนะนำแล้วก็ เ, เขียนซึ่งตอนนั้นก็อายุยนะ 32, ังหนนนะ 32-33 งท่านก็ร่วมกับโครงการนี่แหละนะก็เดินจาริกไปตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ หลวงพ่อเคยเล่าว่าก็เรียกว่าพาระบบทีเดียวนะพราะบางที่บางแห่งก็ไม่มีอาหารเป็นบ้านชาวเขาก็มีแต่ข้าวเหนียวกับแคบหมูแค่นั้นละ่ะมีแต่ข้าวเหนียวแคบหมูแล้วก็ชานก็เอาข้าวเหนียวมาีบกับแคบหมูพอให้ดีน้ำมันติดมาบ้างพอให้มีกลิ่นอยู่บ้างแต่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะท่านก็บอกว่าเราได้ฝึก ด, ดี ก็ตรงนั้นแหละที่ท่านได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลายท่านเพราะใจว่ารูวงพ่อสนองนนกระตะปุญโยมั่นสัมกระทามพ่อจึงก็รู้จักกันในโคกาสนั้นแล้วก็หลังจากที่เสร็จสินน้นโครงการที่หนึ่งพ่อแนะนำโครงกาสอาจาวิกแต่ผู้เดียวไปตามสำนักต่างๆท่านได้ไปเยี่ยมเรือนสํานักของครูบาอาจารย์สายบุญภูมิมั่น หลายท่านนะหลวงปู่เทหลงปู่ขาวแล้วก็ได้ต่อไปถึงสำนักหนองประโพงหองพ่อชาแล้วท่านก็บอกว่าก็อยู่สำนักวัดหนองปลาโพงหลายวันท่านนั้นก็ทําให้ท่านได้รับประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับแบบแห่งการปฏิบัติของวัดป่าสายภูม่านแล้วท่านก็จะรีบต่อลงมากรุงเทพใช่ไหม อยู่วัดมหาธาตุวัดเฉิปั ส, สนาแล้วก็ต่อลงมาภาคใต้แลท่านก็มาพักอยู่ที่สวนโมกท่านชอบสวนโมกเป็นเหตุให้อยู่สวนโมกเนี่ยนานหลายเดือนแล้วก็หลายครั้งที่สวนโมกท่านก็เล่าว่าทำงานเยอะแล้วก็ท่านก็ได้มีส่วนช่วยสร้าง สวรวัตถุหรือว่าตึกอาคารต่างๆของสนมโหกหลายแห่งนะตอนนั้นท่านอยู่มท่านหลวงพ่อคำเพียนท่านเป็นพระที่มีกําลังวังชามากและท่านก็ชอบทํา ง, งานด้วยนะท่านก็เรียกว่าอยู่สนโหกได้อย่างมีความสุขนอกจากได้ทํางานแล้วยังได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อพุทักา์แล้วก็ถึงชัดว่าคําสองท่านก็ เข้ามันได้ก็รำมาที่ท่านได้ได้พบได้เห็นแล้วก็ตรงกันที่หลวงพ่อเทียนไม่สอนเอาไว้ที่สวนมน่นท่านก็รู้จักกับพระหลายลนะรูปนะหลวงพ่อบจักตโรนเนี่ยวัดป่าธรรมดาก็กลายเป็นสายธรรมท่านก็ที่สวนม่นเนี่ยหลวงพ่อบัรจัทน ท, ท่านก็ตัวเล็กนะอาจจะเท่ากับธรรมานี่นะแต่ว่าทา ง, งานทั้งอ่ดทั้งทนมากนะ ได้รับสมุญญาณที่ส่วมมติว่าเป็นแท็เตอร์นะตัวเล็กแต่เป็นแท็เตอร์นะแล้วท่านไปบุกเบิลว่าป่าธรรมดานี่ก็เรียกว่าเหมาะกับท่านแเพราะว่ากินทั้งนั้นนะเจอได้กินทั้งนั้นแนละ้วท่านก็บุบเบิลพัฒนาจนน้องพัฒน า, าธรรมดาก็เป็นที่รู้จักก็มีการาพบปะสมัครเสมอกับระหว่างพลวงพ่อบตรดาจหลวงพ่อ คาเขียนอยู่อย่างต่องในตัวท่านหลวงพ่อมันจัดได้มาหน้าภาพแบบว่าเสือีทินแล้วเข้าใจว่าอันนี้ดาเองนะการที่ท่านได้ทำการุดลางเขียนได้เโาการอยู่ส่วนโมกหลายเดือนคงเป็นเหตุผลเหตุหนึ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยภายหลังเนี่ยได้กลับไปได้ไปร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรม บุกเบิกพระบาทสุขโตพระบสุโขโตนี้หลวงพ่อพุมิทำเป็นผู้บุกเบิกงานท่านแรกหลวงพ่อพเป็นญาหวงพ่อพุฒิเทียนตอนหลังหวงพเทียนหลังจากที่ท่านได้ไปช่วยหลงพ่อเทียนแสดงธรรมตามที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตเมืองขอนแก่นบ้างกรุงเทพบ้างรวมทั้งวัดชนบุรีหลวงพ่อพุฒเขียงหลวงพ่อเียเคยมาจับภาษาธวัชนเป็นต แลเป็นเรียให้รู้จักกับอาจารย์โกวิทย์พ่ออาจารย์โกวิทก็ไปกำราษาที่นั่นก็ทําให้เกิดจิตภาพที่ยั่งยืนสืบมาจนทั้นหลวงพ่อเสียงได้หมน้าพาดไปที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยท่านได้ช่วยหลวงพ่อเขียนไปแสดงคำในเมืองอยู่หน้าที่เดียตจนท่านไดเห็นว่าน่าจะมาตั้งสํานักปฏิบัติธรรมในป่าหลวงพ่อเขียนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าหลวงพ่อเขียนท่านก็ มีความเป็นตัวตัวพอวสมควรท่านถึงนว่าการอยู่ป่ามันก็จะช่วยเหลือญาติโยมชาวบ้านซึ่งห่างไกลวัดท่านเห็นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดสนามในที่วัดชนท่านก็เห็นว่าออคนพรุงเทพ น, นี่มีโชคนะแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามีวัดให้ให้ไปศึกษาปฏิบัติแต่ชน้ําบนย่างบนหลังเขาไม่มีอะไรเลยท่านก็เลยตัดสินใจที่จะไปปักหลัก อยู่ที่หลังเขาภูแหลงคาซึ่งตอนนั้นกัมดาลมากก็ข้าจารอการที่ท่านได้ไปเห็นอยู่ส่วนโอนเนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นผู้คนหลั่งไหลจากกรุงเทพไปปฏิบัติธรรมที่ส่วนโงโ่งไกลามากเวาลา น, นั้นช ย, ยาค น, นสัตเอเชียก็ยังไม่มีท่านก็คงเห็นว่าการตั้งสำนักท่ามกลางธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเนี่ยมัน มันมีประโยชน์มีความสำคัญท่านก็เลยนะไปปักหลักที่วัดปาสุขโตแต่ว่าก็เทีไปเทือมากับวัดสุขทองถ้ำอาไฟหวางอย่างที่เรารู้จักกันทราบกันอันนี้ก็ที่ว่าความเกี่ยวพันระหว่างวัดปาสุกโตกับสวนโมกก็คงจะมีนะโดยผ่านหลวงพ่อคำเขียน เพให่การที่มาจัดงานบูชาคุณเป็นอัจารยบูชากับหลวงพ่อเขียนที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยตมาว่ิว่าก็เหมาะแล้วนะที่จริงหลวงพ่อเขียนท่านก็ศรัทธาหพ่พุทธาสตอนสมัยจ้าตมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อเขียนที่วัดสนามในเพิ่มพออระคตมาไม่ใช่ปกตินะเป็นเพิ่ก็อยู่หลัง สุตติลงพ่อเทียนตอ น, นบ่ายๆก็จะได้ยินท่านเปิดเทพธรรมวของหลวงพ่อ พ, พุทธทาสแทบทุกวันไม่ได้ขาดท่านต้องการศึกษาธรรมจากหลวงพ่อ พ, พุทธทาสเพื่อว่าท่านจะได้เอามาประยุกต์ใช้กับการสอนธรรมกคนในเมืองเพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่ค่อพูดคนในเมืองคนที่มีการศึกษาแต่แต่ก็ผบ เ, เห็นว่าหลวงพุทธทาสสามารถที่จะพูดให้คนในเมืองเข้าใจได้ท่านก็เลย ศึกษาอันนี้ก็เห็นว่าหมก็เทียนแล้กระทั่งท่านจะไม่มีความพุกมาพลุบบนจิตใจแล้วากิจที่ควรทำก็หมดแล้วแต่ว่าท่านก็ยังเป็นผู้ฝ่รู้เพราะประโยชน์ตนหมดไปแต่ประโยชน์ท่านก็ยังมีอยู่ที่ต้องทำก็ต้องศึกษาเรียนรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวพ่อคเขียนก็ได้เจริญรอยตามแล้วก็อาจจะทำได้ในลักษณะที่ แต่ต่างจากหลวงพ่อเทียมบ้างเพราะว่าหลวงพ่อเขียนแล้วก็ทําเรื่องการรักษาด้วยแล้วก็ทําหลายอย่างซึ่งตอนบ่ายนี่เราก็จะได้คุยกันตอนเช้านี่นะก็ได้มีการพูดกันเรื่องสื่อสารปฏิทินหลวอพ่อคําเขียนซึ่งก็คงจะมีหลายด้านดูจากคนที่ได้รับเชิญมาแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันมาถวายพระตาหารเสื่อเป็นกําลังให้กับ พระสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังว่านอกจากมาถวายทานแล้วก็คงจะมีเวลาที่จะฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเช้า ว, วันนี้แล้วก็ยาวไปถึงบ่ายเลยซึ่งจะสิ้นสุดประมาณบ่ายสามบ่ายสิ่งก็ขอทุกท่านได้จะศรัทธาในธรรมเพื่อที่จะตั้งใจปฏิบัติให้เกิดความสึกตัวจนนําสู่ความพ้นทุกข์ จากนี้ไปก็ เ, เตรียมรับพรยะาบริวหาปูราบริปูเรติสาคารังวงน้ำที่เต็มยอมยางสมุทรสาครให้บริบูได้ฉันใดเอวามวีวายโตทินตังเตต า, านังอุปการปฏิอาทีธานุทิได้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาธโนที่ไปแล้วได้ฉันนั้น อิชิตางปันทิตังตูมพังรอยามลที่ท่านกรัธนาและตั้งใจแล้วอิปามวาสิชาัตุทรงสำเร็จโดยจากันสาเพบุเรนุสังตตาขอความดงปีทั้งควงทรงเต็มที่จันโทปนาราโซยาัาเหมือนพระจันทร์ในวันเต็มปันินนโชติราโซยาัา เหมือนแกบเนียสว่างสวยควรยินสาธิตโยวีวาชันวาใจไรท่านควโจบความรากสากคโรโะวิสตุโรทังสองของท่านจหายมาเทปวัตวตรายโยอันตรายามีแกท่านจบนี้ที่โกลวะท่านจเป็มีความจบมีอายุยื วิวาทนาสีเลสนิจังุต้าปัจจายนโนยะตาโรธรรมาวันธมีอายุวันโนสุภังขละอาศับาการืออายุวันนาสุภาภะละยอมเจริญแก่บุคคที่มีปกติก้้า igr มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาปรุสักมังขละปัสสะมงคุโจงมีแก่ท่าน ราพันตุสากเทวตาโอลาเทวตาทั้งปู้ทรงรักษาท่านสาพาอุทานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระกัจจเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังทานุปาเวนด้วยอนุภาแห่งพระโสสาธาโสทิาวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลาย โยมแก่ท่านด้วยเมื่อเปฏิสังขารโยมีโสภิดาปังปฏิเสวะมีเนวะโตวะยานะปะายานะกญยนะวิสนาาวะเวมสายสธิยาปัญญาสุรติยาพระมจริยาภาอิาจเวทนาปฏิันมินวเจเวทนา เทสานิยารดราจามีโมติสติอรวาจาตาจาระลุมิหายร